ในพวก้ภิกษณีชาวพะกีจึงกรอได้เหมือนยิงกระหัตผู้บริโภคการเล่าภิกษณีทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตําหนีกระนามโพลธนาบรรดาภิกษณีผู้มักน้อยพากันตําหนิกระนามโพลธนาว่าขณะพวกภิกษณีชาวพะกีจึงกรอได้เล่าครั้นแล้วภิกษณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบ